พอบอกออกไปพนักงานก็เงียบไปอึดใจแล้วก็บอกว่าให้คุณแนนเนี่ยลงมาเล่าข้างล่างบอกว่าอากลัวคนร้ายจะเห็นแล้วก็กลัวจะโดนทําร้ายพนักงานก็เลยบอกว่าให้รีบลงมาคนร้ายคงยังไม่ทันได้รู้ตัวหรอกวินาทีนั้นค่ะคุณแนนบอกโมโหมากก็เลยวางสายไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็รถตํารวจด้วยตัวเองไม่ถึงเครื่องชั่วโมงค่ะคุณแนนได้ยินเสียงรถฉุกเฉินเธอก็นั่งรออยู่บนห้องอย่างใจจดใจจอ่อเนี่ยคะ แต่ว่าเวลาผ่านไปนานมากก็ไม่เห็นมีใครขึ้นมาสักคนหนึ่งแต่ว่าผ่านไปสักครู่หนึ่งหารถฉุกเฉินทั้งหมดก็พากันกลับออกไปคุณแนนก็เลยงงนะคะนั่งงงอยู่ในห้องตัวเองนั่นแหละว่าเอ๊ะมาถึงแล้วทําไมไม่ขึ้นมาเพื่อที่จะระงับเหตุหรือว่ามาช่วยคนเจ็บคืนนั้นคุณแนนก็อยู่ห้องอย่างหวาดกลัวะแต่ว่าทุกอย่างก็เงียบสนิทได้แต่นอนขม่มความกลัวแล้วก็รวบรวมความกล้าที่มีอยู่น้อยเต็มที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 และแล้วก็หลุดจริงคุณแนนก็เลยวิ่งไปที่มุมห้องผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปหาคุณแนนอย่างช้าๆคุณแนนมองไปที่ร่างนั้นและสิ่งที่เธอได้เห็นมันทําให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะว่าเบื้องหน้าของผู้ชายคนนั้นก็คือตาค่ะดวงตาที่โปนออกมาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าหน้าปูดบวมลิ้นจุกปากพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วลําตัวเนี่ยมีแต่เลือดน้ําหนองคุณแนนกรีดร้องสุดเสียงแล้วก็สลบไปในทันที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 ซึ่งบ้านของเราเป็นทาวน์เฮาส์องชั้นนะคะก็หลังบ้านเนี่ยติดกับพื้นที่ที่เป็นบ่อปบลาของคนอื่นก็ได้ยินเสียงเดินย่ำเท้าดังมากได้ยินมาถึงชั้นสองพอก็นอนฟังว่าเอ๊เสียงนั้นมันจะเดินไปทางไหนและในที่สุดค่ะมันก็หยุดอยู่ที่หลังบ้านตัวเองพอก็พยายามฟังอีกว่ามันจะทำอะไรต่อสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะพูดแบบแบๆ บ, บอกว่าเป็นอ่าพูดว่าตานตาน